แนที่สมบูรณ์ปนสุกเกิดในกองเงินกองทองในอดอยากใครเล่าไม่ต้องการอย่างนั้นต่างท่านต่างคนต่างต้องการเป็เหตุดยายเล่าจึงเกิดขี้ขี้เพราะไม่มีบุญวัฒนะในต่างสมบูรรมมาใส่เก่าก่อนมันถึงเป็นตัวแบบนั้นรูปร่างกายก็เหมือนกันใครเล่าปาชนาโลกใครใครเจ็ดใครเล่าป่าชนา รูปร่างกายชีวิตสิดเตไม่มีแต่ก็ได้กันผมเถอะเพราะเหตนใดเพราะบุญลักธนาไม่มีจำเป็นจะต้องได้เสอมอจาของตัวที่เคยก่อร่างสั้งไว้แต่พบก่อนชาตก่อนในทางศาสนาขันตอนให้เชื่อตามก <c oughs> ารภาวนาด้วยการรักษาศีลมีอายุยืน มีเยนไทยการภาวนามีความเฉลียวลาดในใจยิดไขอะไรสว่างสวัยปลอตโปก่งเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนที่ยังไม่พ้นจากทุกต้องการความสุขจะต้องรีบเร่งจะทำบำเพ็ญทานก็ควรมีศีลก็ควรมีภาวนาก็ควรมีมีแต่ เท่าของเงินทองแต่รูปหลังกายคือเรื่องที่เลียภยข้เเดือเย็นอดอแอทาไม่ได้ทานไม่ได้เพราะธาตุันเจอโรคภัยเดืยดเย็นจะมีทนายกินไม่ได้มงันก็ไม่เป็นผลจประโยชน์อะไรเดือนนั้นท่านสอนให้ครบต่างกายเจอดงดงามสมบัติธาตฐานสมูล สติปัญญาจเยอะฉลาดพบขั้งสามดีแล้วถึงจะเป็นมนุษย์ก็มีความสุขพอสมควรผ่าหา่าอดอยากผาดแคน <c oughs> มันลำบากเราไม่อยากอดอยากทุกอยากอย่างนั้นขอพากันขวันขวายแต่ทำบ่มเพลิการให้ทานเราไม่อยากเป็นคนที่โรคที่ภัยขอพากัน ตั้งใจรักษาศีลเราอยากสยบสลาศพากันภาวนานี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่คุ้มครองโลกผู้ที่ที่ทิจจะไรนาในยองเหล่านี้เพีงจังจะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าดีเด่นทันสมัยเป็นอากาศโโคอย่างจริงใจคื่อไม่เสื่อมไม่เสียไปตามกาล ต, ต, ตามเวลาที่ผ่าน คนที่ทํ า, าดีในวันใดเวลาใดทางศาสนาถือว่าดีไม่เหมือนศาสนาของพามว่าวันนั้นดีวันนี้ชั่ววันโจมันฟูอะไรเข้าว่ากันไปจะทําอะไรก็ต้องหาลุช้ายามหาวันเชื่อป๋อแต่ทางศาสนาถนัดชุนัคตังถุมังสลังถุปปะตาตังถุหุตสั ง, ท, ปป ง, ท, สงที่จะตรวจกันขณะใดที่เราทําดี ขนาดนั้นแหละเป็นมงคลในส่การเวลาเป็นมงคลวันไม่ดีปีเดือนไม่ดีหากเราทำชั่ววันดีปีเดือนดีเพราะการเราที่เราทำดีถิงของจะมีมากม า, กายกายคลองขนาดไหนเราหิวอยู่เต็มที่แต่เราไม่ทานมันก็มีวันอื่วันนี้วันดีไม่ต้อง ทำงานงานนั้นก็จะเขาเร็จไปวันนี้วัน ด, นดีไม่ต้องทานอาหารมันจะยินเองไม่เป็นอย่างนั้นหลักฐานของศาสนาคือว่าการทําดีจะมีผลดีแก่ตัวไม่มีอยู่ตามการตามเวลา <c oughs> ทางศาสนาสอนอย่างนั้นการสะทึกจิตจใจจึงเป็นเด็กสาคัญคนเราทั่วไปร่างกายจะ สวยสดงดงามเข่าของเงินทองจะมากมายไายกองขนาดไหนแต่ถ้าใจชั่วใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไม่ได้คุมครองรักษาสมบัติสถานไม่ได้ไม่มีใครยินดีชมเสดคิดดูควรจิตเียจลิษใทรหรอกถือว่าเป็นของหยิบของดีรักษาอะไรไม่ได้จึงควรอบรมควรแนะนำเรื่องจิตใจจิตใจที่จะตั้งมัน่น มีอาจมีทำได้ก็ราพราะอาศัยการศึกษาการฝึกหัดภาวนาภาวนานี้ทางหากสูดถึงเรื่องการภาวนาแล้วง่ายและอา น, นิสงส์มากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปพระพุทธเจ้าที่จะสาเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นพุทธะได้ก็อาศัยเรื่องภาวนาภาวนาก็คือการศึกษ า, ใ น, าในใจในใจของตัวพิจารณา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงละถอนสิ่งที่ผิดข้องท้องใจพอยใจในเห็นตามเป็นจริงจึงเกิดโลภหลงต่างๆเชื่อว่าเราจะมีอายุยืนยงคงอยู่เชื่อว่าของเหล่านั้นจากจนของของเราจริงจังเมื่อยึดมัน่นถือมัน่นเชื่อมั่นอย่างนั้นก็เลยหลงเลยทุกข์เลยจิตเลยขอ้อ หากเราพิจารณาตามสภาวะตามเป็นจริงของมันพิจรารณาขาดขันของตัวเองตามเป็นจริงว่าผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตใส่คุงต่างๆภายในที่ทายดูไอขัววถึงเห็นชัดจนเกิดอุปาหะ <c oughs> ติดห you know, well, you know. ูติดตาว่าอะไรวะส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นอะไรวะส่วนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอสุภะไม่น่าดูไม่สวยงามเป็นอเนจังแต่ปวนเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเข้าใจขนาดชัดเจนเห็นแก่ในตัวไม่ใช่ขาดหมายหรือสุ่มเดาเข้าใจจริงจังจนจิตยอมจะนอนเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้น แล้วความรุ่มหลงเถิดเชิญในเรื่ อ, อโลกมันหมดไปเพราะอะไรเพราะทุกคนที่เราลุ่มหลงว่าสวยงามอย่างนั้นสวยงามอย่างนี้นติดข้องอยากได้กำหนัดยินดีก็ล้วนแต่ของสปปมบุกสมบูรณ์ประจกูนไม่ใช่ของหยุดของดีเราอย่างไรเขา อ, อย่างนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่ 8, 8างกันถ้าหันอันเดียวกัน หญิงชายเป็นเดื่องสมมติไม่ใก่ยมีงมุดไม่ใช่ของจริงเราแต่สมมติกนนะ็อย่างไรแต่สมมติกันหน้าอย่างสมมตินั้นไม่ใช่มันจริาาคงอะรก็สัตจริงสมมติถ้าจะเห็นที่นี้ทนะี่เจนาตัวของตัวเองรู้ทั่วเข้าใจถึงจิตใจปล่อยวางละถอนเรื่องต่างๆของตัวแล้วโลกก็สงบไปหมด ลาเพื่อนเต็มหมดคนอืน่นสัตว์อื่นเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดแปลแตก ต, ต, ต่างกันนี่การที่เนจนนะกายของตัวจนเข้าถึงจิตใจกี่โกจิตจิตตามเรื่องต่างๆพอเห็นว่าเป็นของไม่ทีรังยัางยืนไห่ว่ารูปว่านามีมอ น, นิจจังยึดมัน่นสำคัญไหมอาจจะเป็นอันตราย คือนทุกมาให้ท่านยังให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆโดยจิตติโดยปัญญาโดยศรัทธาความเพียรที่นี่ที่จริญนาเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาตั้งใจพิ่เจรินาจิตใจเคยติดข้องเศมองเมื่อเห็นรู้ตามเป็นจริงแล้วจะถอดถอนมายึดมัน่นหรือมัน่นในสิ่งหนนั้น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 ริมลึกของความสุขด้านของธรรมตันั้นใครอยากจะรู้จะเข้าใจใครอยากจะมีความสุขไปจากชาติเกนขอพึงตังหาสังสารขอเพีปฏิบัติภาวนาศึกษาที่นิพพิจารณาอย่าให้ใจออกไปส่วนอื่นทำใจของตนให้อยู่ในวงของธรรมคิดเพื่อจะแก้ไขใจที่ิดข้อง ภาวนาหนักเข้าไปใจจะรองรวมใจจะลจจะลถอนความควาองจิตต่างๆใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้เป็นของที่อบรมไม่ได้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าหรืออรหันต์อรหันต์ไม่นี้จะนีมาจากไหนเพราะท่านเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนกันกระโปรงเราที่เหลือตัณหามานะัชกุิ ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนกันไม่มีอะไรบกพ่องจิดแตกกันแต่ท่านเหล่านั้นอุตส่าห์พยายามศึกษาอุตส่าห์พยายามภาวนาทำความสงบของตัวจนได้จิตใจที่เคยวุ่นวายต่างๆละถอนตกไปใจของเราที่วุ่นวายต่างๆก็พออาศัย อารมณ์อารมณ์ค้องใจเป็นสาคัญอารมณ์นั้นโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากหิจากตาจากจมูกจากยิ้จากสายคิเคยพบเคยผ่าเคยสัมผัสเคยเห็นมาพอไปฝังสัญญายิบเอาไว้ถือเอาไว้ภายในใจฟุ้งฟุ้ล่มหลง อารมณ์่าก่อนผ่านมาในชาว์ว่าสี่ปีสี่เดือนยังเป็คิดนึกคุดคล้องสิ่งที่ควรโลกก็ยังโลภสิ่งที่ควรหลงก็ยังหลงสิ่งคือควรกำหนัดยินดีผ่านมาในชาว์ว่าสี่เดือนสี่ปีก็ยังเป็นเป็ น, น บ, บ้าก็สดขึ้นเพราะความปรุงท้าใจถ้าจึงให้ระวังรักษาไม่ว่าหูว่าตาว่าใจหมูป่ปีนใจใจ ให้มีอินทียทั้งหมนคือการขร้างหวมระหว่งาง้างฮักแวบไฟไฟชั่วไฟต่ำไฟโลกนี่ใื 10, 10จ้จิตจิตจักทางมะจิตจักทางฝนสืพระพุทธเจ้าทรงแนะนเรากคนเดินทางออกจากตัวทางไฟเข้าปากก็มีใครอันตรายที่จะเกิดขึ้น เดินไม่สะดวกถอรถลงถนนก็ไม่มีทางที่จะปลอดภัยบางที่อาจจะถึงตับเสียชีวิตฉันใดจิตใจของเราท่านนักภาวนาก็ให้ระวังรักษาอย่าให้แับออกไปเรื่องกิเลสกันหาเรื่องของโลกระวังรักษาแลาการนึกคิดอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ในวงของธรรมหรือวงของโลก เป็นไปเผื่อการลาดถอนหรือเป็นไปเผื่อการสะสมี่เลสสือสอบที่นิพพิจรารณาตรวจตาอยู่สม่ำเสมอถ้าหากมันไม่สงบถ้ามันสงบลงรวมนั่นมันไม่มีปัญหาที่จะมาพิจารณาอะไรอีกเพราะจิตรวมเป็นหนึ่งมีแต่รู้สึกเท่านั้นไม่ได้หม้ยมัน่นกับสัญญาอารมณ์อะไรเนี่ยแต่กายทั้งกายก็ไม่ทราบว่ามัน นั่งมันยืน ม, มันอยู่สถานที่ใดเป็นอย่างไรจิตไม่ออกมาสัมผัสกับผู้เวทานาใครน้องเบาสบายหลงโผล่ อ, อยู่ทุกการทุกเวลาหากักไม่รอนขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่ทราบว่าวันมันเป็นอย่างไรคืนมันเป็นอย่างไรท่านานขนาดไหนไล ย, ยมี้หม ตีรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นหนึ่งเฉยอยู่เบาสบายอยู่จะพิจารณาท้ า, ายนอกไปได้แต่เมือ่อถอนขึ้นมามีกําลังเหมือนกันกับคนที่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไมทานอาหารทําการทํา ง, งานอยู่ตลอดเวลาพอได้ทานอาหารหลับนอนพักผ่อนขาดขันเต็นที่แล้วทําการทํา ง, งานติดต่อไปได้แข็งแรงขันใดจิตใจของพวกเราท่าน แต่วันเกิดไม่เคยพบเห็นความอยากเย็นโลลงท้งองใจยิ่งวุ่นตามสัานยาอารมอยู่อย่างนั้นเพราะเลไม่เชื่อมัน่นว่าความสุขของความสงบเป็นอย่างไรแลยไม่ได้มีจิตมีใจอยากจต่ประพฤติปฏิบัติไม่อยากจะพักผิดดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็น เ, เรืเพิ่ม้องใจเรื่อยไป คนธรรมดาสามัญที่ฝึอบรมตัวเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านน้าวว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจึงคิดอยากจะศึกษาคิดอยากจะอบรมกายวาจาใจท่องสมในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเกือบแล้วคนทั่วประเทศไทยที่จะลุกตัวลอยตัวออกมาศึกษาธรรมะอยู่ป่าอยู่ดง มาภาวนาหาของจริงยากหนักหนาจํานวนหมืน่นจะมีเพียงคนสองคนงก็ทั้งยากไม่เจอของไห้หาเองงนะ่ะเรานึี่จือเป็นคนศี่มีบุญวาสนาแต่เก่าก่อนมาคนอื่นเขาไม่นึกคึดอย่างเราแต่เรานึกคึดเขาจะถือว่าเราเป็นบ้าแต่เราไม่เป็นบ้าเราจะไปเสียใจยให้เขา เขาจะว่าอะไรเป็นลมปากของเขาเขาส่วเป็นส่วของเขาเขาดีเป็นดีของเขาจะเรื่องของเราจะรักษาตัวของเราอย่างไรที่จะปลอดภยัยที่จะเป็นสุขนี่เป็นเรื่องสําคัที่ทุกท่านควรจะมีพิจารณานานมาสอนจิตของตัวเรื่องอื่นที่จะปลอดภัยได้สุขถึงใจแล้วไม่มีอะไรนอกจากจะ ปฏะพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยามสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทีหมดกิเลสสิ้นกิเลสเป็นผู้วิเศษปรเสริทำอะไรพูดอะไรตัดอะไรออกมาไม่มีกิเลสกันหานจืวปนยิงอย่างไรพูดอย่างนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามันพูดเพื่อประโยชน์แก่ชันโลกจริงจังไม่ได้มุ่งหวัง อะไรเป็นส่งนตอบแทนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแทนที่จะอยู่สะดวกสบายธาตขันอะไรภายในใจเดชะละสลา ส, สาสางไปแล้วไม่มีอะไรปิดข้องเราจะอยู่สบายสดะดวกถึงวันเปรินิพพานไก็จะเปรินิพพานไปเท่านั้นไม่อย่างนั้นมีพ่พระเมสตาสรุณาสงสารอยากจะให้จัด โลกทั่วไปมีความสุขกายสุขใจอย่างเราถ้าองค์ถึงไกลขนาดไหนเพื่อยากลลำบากก็ไปหาแนะสอนจนสัตว์ที่แต่พฤชปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องดีจริงจะรับความสุขจริงเชื่อมัน่นเคารพเรื่อมใสยินดีเต็มใจเพราะ รู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของตัวไม่มีอะไรที่จะชั่วจะเสียจะจำเนึ่ถึงกระพุทธเจา้าจะไปนี้ผ่านไปสองพันห้ารอยกว่าปีกว่าต่างผู้ ป, ปฏิบัติรูเห็นเป็นจริงในตัวจะเห็นเด่นชัดกว่าพ ร, ระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ เ, นนเหมือนกันไม่มีทางเข้าใส่เชื่ออย่างถึง จิตงใจจริงจงิงจังจเพราะความเป็นความเห็นของเรากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันเดียวกันแต่ก่อนเราไม่ฝึกปฏิบัติจิตใจของเราไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้เพียงแต่ดูดูหรือฟังฟังนั่นเป็นอีกอย่างยังไม่เชื่อมั่นยังไม่ถึงขั้นอาจจะรายศรัทธาแต่นั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นี่ที่รณานำธรรมะที่แม่สอนไปฝึก อบรมตัวของตัวกำหนดจิตกำหนดใจของตัวบำเพ็ญคุณนัดมำคือทานศีลภาวนาให้เต็มที่เมื่อยังไม่ลุดพ้นไปจากทีล็ดเมื่อไรยังยันเนี้ว่ายตายเกิดที่ในภพน้อยภพใหญ่ก็จะต้องอาศัยบุญกุศลรักษาตัวของตัวให้รับความสุข ตามปติทบชาตอันนั้นหากตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงจังจนจินหลุดพ้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนไม่มีทางสงสัยตายชาตายถ้ำตายในสถานที่ใดป่าไม้ภูเขาผลยตนิพพานนิพพานคือการดับที่เหนดับที่ไหนดับที่เหน็ดที่เหน็ดเป็นอยู่ในถ้ำในเขาเลย ปาในโลกเราอยู่เลยเมืองในนาที่ไหนก็ อ, อยู่ในใจของพวกเราท่านหากกวพื่อปฏิบัติดับได้กว่าหายสงสัยแต่นั้นการประพฤติปฏิบัติทำดีในกาปรปฏิบัติกายใจเป็นเจนนี่ของพวกเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ดีให้เด่นให้เป็นให้ไปความสุขความเจริญเข้าใจที่เราปรารถนาก็จะประสบพบเห็นโดยการ บำเพ็งภาวนาของตนดังน <s> ั้นขอทุกคนเมื่อได้สดับแล้วฟังแล้วจงนําไปที่นิพพานนะการไหนทธิบายทำอ่ะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอทิ่จะิตเพียงเศนี้เอวัง